ธรรมบทแปลเรื่องที่9เรื่องพระนันทะเถวระข้อความเบื้องต้นพระาทสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบท่านนันทะตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสยท่าอาการังดุชั่นังเป็นต้นตอนพระาทสดาเสด็จกรุงกบิลพัฒ์ ความพิสดารว่าพระสัสดาทรงมีพระธรรมจักรบวรให้เป็นไปแล้วเสด็จไปสู่กรุงราชฤกษ์ประทับอยู่ในพระเวลุวันบรรดาทั่วสิบคนมีบริวารคนละพันอันพระเจ้าสุดโทธนามหาราชทรงส่งไปด้วยรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงนำบุตรมาแสดงแก่เราเถิดพระกาลุทายีเถระ ไปที่หลังกว่าทูตทั้งหมดบรรลุพระอรหันต์แล้วทราบการเป็นที่เสด็จมาแล้วพนนาหนทางด้วยคาถาประมาณ60ขคาถานำเสด็จพระศาสดาผู้มีพระกีนาศพสองหมืแวดล้อมแล้วไปสู่กบิลพัทบุรีทรงทาฝนโบกครพัดให้เป็นเหตุเกิดแห่งเรื่องแล้วตรัสมหาเวสสันดรชาดกในสมาคมพระญาติ วันรุ่งขึ้นเสด็จเข้าไปบิณทบาทโปรดพระบิดาให้ดํารงอยู่ในโสดาปิผลด้วยพระคาถาว่าอุติเทนับปมัจเจยะเป็นต้นโปรดพระนามมหาประชาปีโคตมีให้ดํารงอยู่ในโสดาปิผลและโปรดพระราชาคือพระบิดาให้ดํารงในสกทาคามิผลด้วยพระคาถาว่า ทำรรมันเจเรสุจริตังเป็นต้นก็นในการเสร็จภัตกิจทรงอาศาัยการพนานาพระกุลของราหุลมารดาตร จ, จันทกินนารีชาดกในวันที่สามแต่วันนั้นครั้นเมื่อวิวาหามงคลเป็นที่ชนเสด็จเข้าเรือนเพื่ออภิเษกของนันทกุมารเป็นไปอยู่เสด็จเข้าไปบินทบาท ประธานบาทในหัดของนันทกุมารตรัตมงคลคืออวยพรเสด็จลูกจากอาสนะแล้วหลีกไปหาได้ทรงรับบาทจากหัดของนันทกุมารไหมตอนนันทะพุทธอนุชาออกบวชฝ่ายนันทกุมาร น, นั้นด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงมิอาจทูลเตือนว่า ขอพระองค์รับบาดไปเถิดพระเจ้าข่าแต่คิดอย่างนี้ว่าพระศาสดาคงจะทรงรับบาดที่หัวบันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ส่งรับนันทกุามาร น, นอกนี้ก็คิดว่าคงจกทรงรับที่ริมเชิงบันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ส่งรับนันทกุามารก็คิดว่า จากทรงรับที่พระลานหลวงแม้ในที่นั้นพระสัสดาก็ไม่ทรงรับพระกุมารปรารบจะเสด็จกลับแต่จำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มพระทยัยด้วยความเคารพในพระถาคตจึงไม่สามารถทูลว่าขอพระองค์ทรงรับบาดเทิดทรงเดินนึกไปว่าพระองค์จักทรงรับในที่นี้พระองค์จักทรงรับในที่นี้ ในขณะนั้นหญิงพวกอื่นเห็นอาการนั้นแล้วจึงบอกแกนางชนบทกรลยานีว่าพระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคทรงพานันทกุ ม, มารเสด็จไปแล้วคงจากพระรากนันทกุ ม, มารจากพระแม่เจ้าฝ่ายนางชนบทกรลยานีนั้นได้ยินคำนั้นแล้วมีหยาดน้ำหลั่งไหลอ ย, อยู่เที่ยวมีผมอันกล้าวได้กึ่งหนึ่งรีบไปทูลว่า ข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์พึ่งด่วนเสด็จกลับคมของนางนั้นประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในหัตถ์ของนันทกุมารนั้นแม้พระสัส ด, สดาก็ยังไม่ทรงรับบาดจากหัตถ์ของนันทกุมารนั้นเลยทรงนำนันทกุมารนั้นไปสู่วิหารแล้วตรัสว่านันทเธออยากบวชไหม นันทกุมารนั้นด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงไม่ทูลว่าจักไม่บวชทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจากบวชพระเจ้าข้าพระศัสดารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิดตอนราหุลกุมารทูลขอสมบัติกับพระสัสดา พระศาสดาเสด็จไปสู่กรุงก บ, บิลพัทบุรีในวันที่สามทรงยังนันทกุมารให้บวชแล้วในวันที่เจ็ดพระมารดาของพระราหุลทรงตกแต่งพระกุมารแล้วทรงส่งไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคด้วยพระดำรัสว่าพ่อพ่อจงดูพระสมณะซึ่งมีพระสมณะสองหมื่นแวดล้อมทรงมีวันนประดุษสีทองคา มีวันหน้าแห่งพระรูปประดุลพรมนั่นพระสมณะนี้เป็นพระบิดาของพ่อหมอทรัพย์ใหญ่ได้มีแล้วในเวลาที่พระบิดาของพ่อนั่นประสูติตั้งแต่เวลาพระองค์ออกบวชแม่ไม่พบเลยพ่อจงไปทูลขอมรดกกับพระองค์ท่านว่าข้าแต่เสด็จพ่อข้าพระองค์เป็นกุมารถึงอภิเศกแล้วจากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ข้าพระองค์ต้องการด้วยทรยั์ขอเสด็จพ่อได้ประทานทรัพย์แก่ข้ารพระองค์เพราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของทรัพย์ของพระบิดาพระกุมารเสด็จไปสู่สนักของพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วหวนได้ความเสนหาในพระบิดาสำเริงยินดีแล้วทูลว่าข้าแต่พระสมณพระชายาของเสด็จพ่อสบาย ได้ยืนทุนคำแม่อื่นเป็นอันมากที่สมควรแก่ตนพระผู้มีพระภาคทรงทำพัฒกิจแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีไปแม้พระกุมารก็ทูลขอว่าข้าแต่พระสมณะขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระรงองค์เถิดข้าแต่พระสมณะขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระรงองค์เถิดดังนี้แล้ว เสด็จติดตามพระผู้มีพระภาคไปแม้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ให้พระกุมารกลับฝ่ายปริชนก็ไม่สามารถเพื่อจะเชิญพระกุมารผู้เสด็จไปกับพระผู้มีพระภาคให้กลับได้พระกุมารนั้นได้เสด็จไปถึงพระอารามทีเดียวพร้อมด้วยพระผู้มีพระภาคด้วยประการชนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่า กูมานี้อยากได้ทรัพย์อันเป็นสมบัติของบิดาทรัพย์นั้นไปตามวัตตะมีความครับแคบช่างเถิดเราจะให้อริยาทรัพย์เจ็ดประการอันเราได้เฉพาะที่ควงไม้โพแก่เธอจะทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตระตอนราหุลกูมานบนรรพชา ดังนั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งให้หาท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรถ้ากระนั้นเธอจงให้ราหุลกุมารบวชเถิดพระเจรจาอย่างพระกุมาร น, นั้นให้ผนวชแล้วก็เมื่อพระกุมารผนวดแล้วทุกมีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่พระราชาพระได้ทรงสดับข่าวนั้น พระชาชาไม่ทรงสามารถเพื่อจะกลั้นความทุกนั้นไว้ได้สเสด็จไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคทูลชี้แจงแล้วขอประทานผ่อนว่าพระเจ้าข้าหม่อมชั้นขอประทานพระวรโรกาสพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงยังบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวชพระผู้มีพระภาคประธานพรอนนั้นแด่เท้าเธอแล้วรุ่งขึ้นวันหนึ่ง สเสวยพระกยาหารเช้าในพระราชนิเวศแล้วเมื่อพระราชาประทับอยู่ณส่วนข้างหนึ่งทูลเล่าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเวลาที่พระองค์ทรงทํำทุกกรกิริยาทเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาหมอมฉันบอกว่าพระโอรสของพระองค์ที่วงคตแล้วหมอมฉันไม่เชื่อถ้อยคําของเทวดานั้นจึงคัดค้านเทวดานั้นว่า บุตรของข้าพเจ้ายังไม่บรรลุโพธิญาณย่อมไม่ทํากาลังดังนี้แล้วตรัสว่ามหาบาพิษบัด น, นี้พระองค์จะทรงเชื่อได้อย่างไรแม้ในการก่อนเมื่อเขาแสดงร่างกระดูกแก่พระองค์ทูลว่าบุตรของพระองค์ที่วงคตแล้วพระองค์ยังไม่ทรงเชื่อได้ตรัสมหาธรรมมาปาลชาดก เพราะอุบัติเหตุแห่งเรื่องนี้ในการจบคถาพระราชาดำรงอยู่ในอนาคามิผลพระผู้มีพระภาคโปรโดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในผลสามด้วยประการชนีนแล้วมีภิกษุส่งแวดล้อมสเสด็จกลับไปสู่กรุงราชฤกษ์อีกแต่นั้นทรงรับปฏิญญาไว้กับอนาถาพิธิกาเศรษฐี เพื่อประโยชน์แก่กลางเสด็จมาสู่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสําเร็จแล้วเสด็จไปจําพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารนั้นตอนพระนันทะอยากสึกเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันอย่างนี้นั่นแลท่านพระนันท h ประสันขึ้นแล้วจึงบอกเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรมจรรย์ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรมจรรย์ไปได้ข้าพเจ้าจะกล่าวคืนสิกขาแล้วสึกพระผู้มีพระภาคทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วรับสั่งให้หาท่านพระนันทะมาเฝ้าแล้วตรัสคำนี้ว่าจริงหรือนันทาได้ยินว่า เธอบอกกล่าวแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติปรมาจันทร์ไม่สามารถจะสืบต่อปรมาจันทร์ไปได้ข้าพเจ้าจะกล่าวคืนสิกขาแล้วสึกหรือพระนันทาจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคนันทาก็เธอไม่ยินดีประพฤติปรมาจันทร์ ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจันทร์ไปได้จะกล่าวคืนสิกขาศึกไปเพื่อเหตุอะไรพระนันธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนนางชนบทกรยานีผู้สาคิยะมีผมอันกล้าวได้กึ่งหนึ่งได้ร้องสั่งคำนี้กับข้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้า เพิ่งด่วนเสด็จมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นแลหวนระลึกถึงคํานั้นอยู่จึงไม่ยินดีประพฤติปรมจรรย์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้จะกล่าวคืนสิกขาสึดไปตอนพระศาสดาทรงทรมานพระนันทะครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงจับท่านพระนันทาที่พระพาหาแล้วนำไปสู่ดาวดึงสเทวโลกด้วยกำลังพระฤทธิ์ในระหว่างทางทรงแสดงนางลิงรุ่นตัวหนึ่งซึ่งมีหูจมูกและหางขาดนั่งเจ้าอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้ในานาที่ไฟไหม้แห่งหนึ่งแล้วทรงแสดงนางอับษรห้าร้อย ซึ่งมีเท้าดั่งเท้านกพิราบผู้มาสู่ที่บำรุงของเท้าสักกเทวราชในพบดาวดึงบทว่ากกุตาปาดานี้ได้แก่มีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบเพราะมีสีแดงก็แลครั้นทรงแสดงแล้วตรัสอย่างนี้ว่านันทาเธอสำคัญความข้อนี้เป็นไฉไหน ฝ่าย ไ, ไหนหนอแลมีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าและหน้าเลื่อมใสกว่ากันนางชนบทกรลยานีผู้สากิยะหรือนางอับสอนห้ารซึ่งมีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบนี้พระนัน้าได้สดับพระพุทธธรรรัตนนั้นแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางลิงรุ่นมีหูจมูกและหางขาดนั้นแม้ฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางชนบทกรยานีผู้สากิยก็เหมือนกันฉะนั้นเพราะการเปรียบเทียบกันนางย่อมไม่ถึงการนับบ้างไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งบ้างไม่ถึงส่วนหนึ่งบ้างแห่งนางอับสอนหรนี้ที่แท้นางอับสอนหร้อยนี้มีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าและหน้าเลื่อมใสกว่าพระผู้มีพระภาค นันทะเธอจงยินดีนันทะเธอจงยินดีเราจะเป็นผู้ประกันของเธอเพื่ออันได้เฉพาะนางอับศร500รซึ่งมีเท้าดุดเท้านกพิราบนันทะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคเป็นประกันของข้าพระองค์เพื่ออันได้เฉพาะนางอับศร500ผู้มีเทา้าดุดเทา้านกพิราบไซ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักยินดีในพรหมจันทร์กลางนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงพาท่านนันทะไปหายวับไปในที่นั้นได้ปรากฏในพระเชตวันดังเดิมภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วแล ว, ว่าข่าวว่าท่านนันทะเป็นพระพาดาของพระผู้มีพระภาคโอรสพระนาณาง ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอับสรทั้งหลายในว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ประกันของพระนันทะนั้นเพื่ออันได้เฉพาะนางอับสอหร้อยผู้มีเท้าดุดเท้านกพิราบตอนพระนันทะสาเร็จอรหัตผลครั้งนั้นแลพวกภิกษุผู้สหายของท่านพระนันทะ เรียกท่านพระนันทะด้วยวาทะว่าคนรับจ้างบ้างด้วยวาทะว่าคนอันพระผู้มีพระภาคทรงไถ่ายไว้บ้างว่าในว่าท่านพระนันทะเป็นคนรับจ้างในว่าท่านพระนันทะเป็นผู้อันพระศาสดาทรงถ่ายไว้พระนันท h ประพฤติปรมาจรรันพระเหีดแห่งนางอับสอห้าร้อยได้ยินว่าพระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้ประกันของเธอเพื่ออันได้เฉพาะนางอับสรห้ารผู้มีเท้าดุดเท้านกพิราบครั้งนั้นแลท่านพระนันทาข่ยเขินและอายรังเกียจ ด, ด้วยวาทะาว่าคนรับจ้างบ้างด้วยวาทะว่าคนที่พระศาสดาทรงไถไว้บ้างของเหล่าภิกษุสหายเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกไปแล้วไม่ประมาท มีความเพียนมีตนส่งไปอยู่ต่อการไม่นานเลยได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพระมาจันอันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนโดยชอบต้องการด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จอยู่แล้วอยู่ในที่จะทำรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระมาจันอยู่จบแล้วกิจจําต้องทำ ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นนั้นว่าท่านพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งอย่างพระเจตวันทั้งสิ้นให้สว่างในส่วนแห่งราตรีแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถาวายบังคมแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะเป็นพระพาดาของพระผู้มีพระภาคโอรสพระนานางทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมยานได้เกิดขึ้นแม้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันว่านันทะ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิทธรรมท่านพระนันทาแม้นั้นโดยล่วงไปแห่งราตรินั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์เพื่ออันได้เฉพาะซึ่งนางอับสหร500ซึ่งมีเท้าดุดเท้านกพิราบด้วยการรับรองใดค่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เปลืองพระผู้มีพระภาคเจ้าจากการรับรองนั่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่านันทะแม้เราก็กำหนดใจของเธอด้วยใจของเรา ทราบแล้วว่านันทะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมีได้เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมแม้เทวดาก็บอกเนื้อความนี้แกเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านนันทะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต การหาอาสวัมิได้เพราะสิ้นไปแห่งอาสวัทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสําเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมนันทะเมื่อใดแลจิตของเธอพ้นแล้วจากอาสวัทั้งหลายเพราะมีความไม่ยึดมัน่นเมื่อนั้นเราก็พ้นจากการรับรองนั่นครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่ายัสติโนกามัปปังโกมัตติโตกามักันตะโกโมหะขยะมนุปปโตสุขะดุกเเคนเวทติเปลือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วหนามคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วผู้นั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะ ย่อมไม่วันไหวในเพราะสุขและทุกข์ตอนพระนันทะถูกฟ้องต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามท่านพระนันทะว่านันทะผู้มีอายุเมื่อก่อนท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้วบัด น, นี้จิตของท่านเป็นอย่างไรพระนันทะตอบว่าผู้มีอายุ ความห่วงใยในความเป็นครหัข่ของเราไม่มีพวกภิกษุได้ฟังคานั้นแล้วกล่าวกันว่าท่านนันทะพูดไม่จริงย่อมพยากรณ์พระอรหัตผลในวันที่แล้วแล้วมากล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ประัตรแล้วแต่บัด น, นี้กล่าวว่าความห่วงใยในความเป็นครหัข่ของเราไม่มีดังนี้แล้ว ไปกราบทูลความนั้นแดพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันที่แล้วแล้วมาอัตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงไม่ดีแต่บัดนี้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงดีแล้วเพราะว่านันทะนี้จำเดิมแต่การที่ตนเห็นนางเทพอับสอแล้วพยายามเพื่อบรรลุที่สุด แห่งกิจของบรรพชิตยอยู่ได้บรรลุกิจนั้นแล้วได้ทรงภาษิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่ายะธาอาการังดุชนังวุตติสมติวิชติเอวังอภาวิตังจิตตังราโคสมติวิชติยะธาอาการังสุชนังวุทธินะสมะติวิชติเอวังสุภาวิตังจิตัง ราโคณะสมะติวิจชติฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ฉะ น, นั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉะ น, นั้นตอนแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาการังคือซึ่งเรือนชนิดใดชนิดหนึ่งบทว่าดุดเช่นนังคือที่เขามุงห่างๆมีช่องเล็กช่องน้อยบทว่าสมติวิชติคือเม็ดฝนย่อมรั่วรดได้บทว่าอภาวิตังเป็นต้นความว่าราคาย่อมเสียดแทงจิตที่ชื่อว่าไม่ได้อบรม เพราะเป็นธรรมาชาติเขินข่างภาวนาเรากับวว่าฝนรั่วรถเรือน น, นั้นฉนั้นใช่แต่ราคะอย่างเดียวเท่านั้นหาไม่ได้สภากิเลสทั้งหลายมีโทสะโมหะและมานะเป็นอาทิก็เสียดแทงจิตเห็นปานนั้นเหมือนกันบทว่าสุภาวิตังได้แก่ที่อบรมดีแล้วด้วยสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนากิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นย่อมไม่อาจเสียแทงจิตเห็นปานนั้นได้ราวกับว่าฝนไม่อาจรั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วได้ฉนนั้นในการจบคาถาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้ว พระนันทาเคยถูกล่อด้วยมาตุขามต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจริยบุคคลท่านพระนันทาชื่อว่าอาศัยนางชนบทกระยาณีกริย์แล้วพระศาสดาทรงทมเหล่านางเทพอับสอนให้เป็นอามิตรแนะนำได้แล้ว พระสาสาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้ดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ได้ล่อ ด, ด้วยมาตุกคามแนะนําแล้วเหมือนกันดังนี้แล้ว อันภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าตอนบุรพกรรมของพระนันทะในอดีตการเมื่อพระเจ้าปรมตั์ครองราชสมบัติในกรุงพราราสีได้มีพ่อ้าชาวเมืองพราราสีคนหนึ่งชื่อกัปะกะลาผู้ของเขาตัวหนึ่งนำภาราคือสิ่งของ ไปได้กุมพระหนึ่งมันเดินไปได้วันละเจ็ดโยศมาหนึ่งเขาไปเมืองตะกัศิลาพร้อมด้วยพาราที่นำไปด้วยลาปล่อยลาเที่ยวไปจนกว่าจำนายสิ่งของหมดครั้งนั้นลาของเขานั้นเที่ยวไปบนหลังคูพบนางลาตัวหนึ่งจึงเข้าไปหา นางลาเมื่อจะทำปฏิสันฐานกับลาผู้ตัวนั้นจึงกล่าวว่าท่านมาแต่ไหนลาผู้มาแต่เมืองพารันสีนางลาท่านมาด้วยกรรมอะไรลาผู้ด้วยกรรมของพ่อค้านางลาท่านนำภาระไปได้เท่าไหร่ลาผู้ภาระประมาณกุมภะหนึ่ง นางลาท่านเมื่อนําภาระประมาณเท่านั้นไปไปได้กี่โยอดลาผู้ได้เจ็ดยอนางลาในที่ซึ่งท่านไปแล้วนางลาไรๆผู้ทําการนวดเท้าหรือประครบประงมให้แก่ท่านมีอยู่หรือลาผู้หามไม่มีนางผู้เจริญนางลา เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านคงได้รับทุกข์มากนะจริงอยู่ชื่อว่าผู้ทากรรมมีการนวดเท้าเป็นต้นสำหรับสัตว์ทิระชานทั้งหลายย่อมไม่มีแม้โดยแท้แต่นางลากล่าวคาเห็นป่านนั้นเพื่อพาดพิงถึงกามสังโย์ลาผู้นั้นกระสานขึ้นด้วยคําของนางลา น, นั้นแล้วฝ่ายกับประกาศพานิช ขายพันธ้าหมดแล้วไปยังสำนักที่ลาอยู่กล่าวว่ามาเถิดพ่อเราจะไปลาผู้ตัวนั้นตอบว่าท่านจงไปเถิดข้าพเจ้าจะาไม่ไปลำดับนั้นนายกับประกะอ่ อ, อนวอลลานั้นแล้วแล้วเล่าเล่าคิดว่าเราจะยังลานั้นซึ่งไม่ปรารถนาจะไปให้กลัวแล้ว จากนำไปดังนี้แล้วกล่าวข้าถามว่าประตดันเตกิตซามิโซละสังคุลิกันตะกังสั้นชินดิซามิเตกายังเอวังยานาหิคัทระพาเราจากทำประตักมีหนามแหลมยาวสิบหกนิ้วแก่เจ้าเราจากทิมแทงกายของเจ้าแน่ เจ้าลาเจ้าจงรู้อย่างนี้ลาได้ฟังคำนั้นแล้วกล่าวตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาพระเจ้าก็จะรู้กิจที่ควรทำแก่ท่านบ้างดังนี้แล้วกล่าวข้าถานี้ว่าปโตดัมเมกริสสิโซละซั่งคุลิกันตะกังปุรโตปฏิทถิตวานะอุทริตวานะ ปัชโตพันดังเตปาตยิสซามิเอวังยานาหิกับปกาท่านจากทําปะตักมีหนามแหลมยาวสิบหนิ้วแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจากยันข้างหน้ายกข้างหลังขึ้นแล้วยังพันทะของท่านให้ตกไปกับ ป, ะปะกะท่านจงรู้อย่างนี้ พอข้านั้นได้ฟังคํานั้นจึงตำหริว่าด้วยเหตุชะไหนหนอแลลานี้จึงกล่าวก็เราอย่างนี้ดังนี้แล้วเมื่อแลดูข้างโน้นข้างนี้เห็นนางลานั้นแล้วคิดว่าเจ้านี้คงถูกนางลาตัวนี้ให้สําเนียกแล้วอย่างนี้เราต้องล่อมันด้วยมาตุคํามว่าข้าจากนํานางลาชื่อมีรูปอย่างนี้มาให้เจ้า แล้วจักนำไปท้งนี้แล้วจึงกล่าวคาถาว่าจะตุประดิงสร้างคมุคคิงนารีสัปบบังกะโซพินิงพระริยเต อ, อาณยิทซามิเอวังจานาหิคตระพาเราจะนำนางลาสาวมีเท้าสี่มีหน้าดุดสัง มีสัมพัน์กายงามมาเป็นพระยาเจ้าเน่ลาเจ้าจงรู้อย่างนี้ลาได้ฟังคำนั้นมีจิตยินดีกล่าวคาถานี้ว่าจะตบประดิงสร้างขมุคคิงนาริงสับบังขาโซพินิงพริยังเมอาณยิตซามิเอวังยานาหิกับ ป, ประกับกับประกะพิโยคมิซามิ โยชนานิจะตุตสาท่านจากนำนางลาสาวมีเท้าสี่มีหน้าดุดสังมีสัมพางกายงามมาเป็นภรรยาข้าพเจ้าข้าแต่กัปะกะท่านจงรู้อย่างนี้ข้าพเจ้าจะไปให้เร็วขึ้นถึงสิโสี่ยอนะกัปะกะที่นั้นนายกัปปกะจึงกล่าวกับลา น, นั้นว่า ถ้ากระนั้นเจ้าจงมาเถิดดังนี้แล้วได้จงไปสู่ที่ของตนหลานนั้นโดยการล่วงไปสองสามวันจึงกล่าวกับนายกัปะกาวะ่าท่านได้พูดกับข้าพเจ้าว่าจากนำภรยามาให้เจ้าดังนี้ไม่ใช่หรือนายกัปะกาตอบว่าเออเรากล่าวแล้วเราจะไม่ทำลายถ้อยคําของตน จะนำภรยามาให้เจ้าแต่เราจะให้อาหารแก่เจ้าเฉพาะตัวเดียวอาหารนั้นจงเพียงพอแก่เจ้าซึ่งมีตนเป็นที่สองหรือไม่ก็ตามทีเจ้าพึงรู้เองเถอะแม่ลูกทั้งหลายอาศัยการสังวาดของเจ้าทั้งสองก็จะเกิดขึ้นอาหารนั้นจงเพียงพอแก่เจ้ากับลูกเป็นอันมากแม่เหล่านั้นหรือไม่ก็ตามทีเจ้าพึงรู้เองเถอะ ลาเมื่อนายกับประกาศนั้นกล่าวอยู่เช่นนั้นได้เป็นผู้หมดหวังแล้วพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงยังชาดกให้จบลงด้วยพระดำรัสว่าพิสูจทั้งหลายนางลาในล่าวนั้นได้เป็นนางชนบทกระยาณีลาผู้ได้เป็นนันทะพ่อค้าได้เป็นเราเองแม้ในการก่อน นันทะนี้เราก็ได้ล่อด้วยมาตุคามแนะนำแล้วด้วยประการอย่างนี้ดังนี้แลเรื่องพระนันทเถระ